อย่างวันนี้เนี่ยพระจะทิฐานภาษาก็คื อ, อก็จะตั้งใจแสดงหรือประกาศความตั้งใจว่าจะจำภาษาหรือว่าอยู่ในอาวะแห่งนี้เนี่ยครบ3ามเดือนาการที่คนเราเนี่ยจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง แล้วก็อยู่ทํากลารพู้คนมากมายหรืออยู่ร่วมกับผู้คนนะมากหน้าหลายตาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะพออยู่ไปได้นะไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์ก็รู้สึกเบือนะ่ออยากจะไปะเปลี่ยนที่หาของใหม่นิธรรมชาติคนเรา ชอบของใหม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งดานไก็เหลืองง่ายนะก็อาจจะอยากจะไปหา ข, ของใหม่หรือบางทีเจอความไม่สะดวกความไม่ ส, ามมสบายทีจริงความสะดวกความสบายในด้านอนอาจจะมีเยอะแต่อาจจะขัดข้องใจหรือขัดใจในบางเรื่องบางแง่ ก็หาเหตุให้าย้ายที่อันนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไรสำหรับคนเราในการฝึกให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจเข้ากับสถานที่โดยเพราะต้องอยู่กับผู้คนมากมายนิสัยต่างกันก็อาจจะมีนิสัยบงยางอย่างที่กระทบกระทั่กันบ้างขัดใจกันบ้างท้าแม่ทิศฐานเนี้ย แล้วก็จะหาเหตุให้ ย, ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้เาราทิศฐานเรื่องนี้มันช่วยทำให้เราเนีตั้งใจเนี่ยที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ซึ่งก็จะไปสู่การปรับตัวปรับใจสว่วยตอนที่ทาไมาบวชใหม่ๆเนี่ยตั้งใจว่าจ ะ, าจะเจริญสติ นะกลับลงภาคเทียนที่วัาสนามในก็รู้สึกว่ามีต้องปลุกปลัางกับตัวเองมากเ็าเป็นคนที่ยืนยิงไม่เคยเป็นนะแล้วก็มักจกหาเหตุหาข้ออ้างให้ยุดตินะหรือเลิกการปฏิบัติไปนะตัวเองไม่เป็นคนหาเหตุหรือหาข้ออ้างเก่งนะก็เหมือนคนจานวนมากทีท่คิดเก่ง มันก็จะมีข้ออ้างมากมายที่ทำให้ฝื้นหรือทนกิเลสได้ยากแฟนๆตอนที่ไปปฏิบัติทรรกับหลว่อเทียนที่วัสนามใหม่หนึ่งเดือนไม่ถึงหนึ่งเดือนจากหลังจากการบวช น, นก็ที่ทำไว้สองอย่างว่าจะอยู่ปฏิบัติที่วัสนามใหเนี่ย อย่างว่าหนึ่งเดือนถ้าไม่ครบหนึ่งเดือนก็จะไม่อย้ายไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่สองตั้งใจว่านในการปฏิบัติหรือตลอดเวลาที่วัดสนามไหนก็จะไม่วอนรางวันอะไรจะเกิดขึ้นต้องไม่นอนรวนัซึ่งก็พบว่าทำปนิฐานแค่สองข้อที่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเพราะเหตุว่าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ย นะสองสามวันที่นี้เครียดมากมีความทุกข์มากปวดไหล่ปวดขาปวดหัวก็ปฏิบัติทุวิธีกนะิจานะออกจากวัฒนธรรมใ น, ไ, นนะไปปฏิบัติที่อื่นนะตอนนั้นก็ถึงสวนโมกแต่เนื่องจากไม่ครบปฏิบตนะิก็เลยต้องอยู่วห้เนื่องจากไม่ครบเดือนก็เลยต้องอยู่ครบเดือนแล้วก็ื่อว่ามันก็เกิดความ เปลี่ยนแปลงพัฒนาการขึ้นในช่วงวันที่สุดท้ายซึ่งก็ส่งผลทาให้ตัดสินใจบวชต่อแล้วจะครบสเดือนก็บวชต่ อ, อเป็นหนึ่งปีแล้วจากหนึ่งปีก็เป็นสองปีแล้วก็จากสองปีก็เป็นสิปีแล้วก็จนมาถึงวันนี้อันนี้ก็เป็นพรที่2การติดฐาน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วว่า การทิศฐานเนี่ยนะมันมีความสำคัญมากมีอนิสงส์หลายประการเพราะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยน ะ, ะก็เป็นธรรมเนียม น, นะแล้วก็เป็นไปตามพระวินัยด้วยว่าพระเนี่ยจะต้องอยู่ให้ยอยู่แต่อาวาสใดอาวาดหนึ่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยให้ครบสามเดือนอตลอดฤดูฝนแต่ว่าลำพังวินยัยยังไม่พอนะก็ต้องอาศัยความตั้งใจพื่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เช้านี้เนี่ยพระทั้งวัดรี่ที่ตั้งใจจะทำทานสาก็จะมีการก่าบคบอธิษฐานนะต่อบูสงซึ่งญาติโยมก็จะได้รับรู้ด้วยว่าตนเองเนี่ยตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุวรรณโตเนี่ยให้ครบสามวันหากมีเหตุมีความจำเป็นที่จะต้อง ไปค้างแรงพิที่อื่นนะก็ไปได้นะไม่เกินเจ็ดคืนที่รรษสัปดากรณียัดนะเสร็จทุระแล้วนะหรือว่าเมื่อครบเจ็ดนะคืนแล้วก็ต้องกลับมาประมาณก็จะขาดกางสาแล้วก็จะทำให้สูญเสียความตั้งใจพระหลายรูปจะเป็นพระที่บทใหม่นะการที่จะมาอยู่ใน แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่เช่เรื่องง่ายแค่การตื่นการนอนของที่นี่เนี่ยแล้ก็ไม่เคยตรงกับที่ใส่ความเป็นจินเดิมๆพออยู่ไปเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ได้เนก็จะก็จะมีความทุกข์แล้วก็อาจจะหาเหตุาบางคนที่ตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบพรรษาหรือบางคนตั้งใจว่าจะอยู่ให้แค่ ครบเดือนนะถึงแม้จะม า, าที่ฐานพันศาแต่ก็ต้องอยู่กับตัวเองโทรแท็กก็ไม่มีดูนะไม่มีโอกาสจะคุีกับใครรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบื่อบางครั้งก็หาเหตุเะว่าเนี่ยแม่ไม่สบายนะจะต้องรีบ ก, กลับไปบ้านไปดูแลแม่ไปให้กำลังใจโยมแม่ในตอนที่ เป็นคาราวา น, นี้ก็ไม่เคยสนใจแม่เลยนะไม่คอยมีเวลาให้กับแมเนี่ยแต่ตอนพ อ, อมาบวดเรศีเกิดความประตันดูฉักพันนะแบบนี้ก็มีนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้มั่นคงในงทํการอธิฐาในการอธิฐานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากใ น, นทางคศาสนาก็ถือว่าเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งนะ บารมีในที่นี่หมายถึงความมีอย่างยิ่งยวดที่ทําให้บุรุชนจยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ต้องบําเพ็ญกุศบารมนะีอธิษฐานี่เป็นบารมีหนึ่งในสิบแต่ถึงแม้เราจะเป็นปุถุชนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ก็ควรจะบำเพ็ญบารมีทั้งสิงให้ได้มากเท่าที่เราจะทําได้ สำหรัท่านที่ไม่ได้เป็นพระนะฮะอจะเึ็นหน้าชีหรือเป็นนักปฏิบัติเป็นบ า, ส, บาสุบะสิกาเข้ารรษานี่ก็เป็นโอกาสดีนะที่จะได้บาเพ็ญบา ร, รมีข้อนี้ซึ่งมันก็จะเกิดผลองอกเนยหรือสมทบนะในส่วนอื่นด้วยอาจจะทําให้บา ร, รมีข้ออื่นเนี่ยองอกงามโดยเช่นสพาะบา ร, รมีด้วยในคำมะบา ร, รมี นะขึ้นอยู่ว่าเราอธิษฐานอะไรถึงแม้ว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องอธิษฐานทรรษาว่าจะอยู่ครบสามเดือนอันนี้ยกเป็นญาติโยมบางท่านนะที่ตั้งใจว่าจะมาจํารรษาร่วมกับพร ะ, ะก็ควรจะอธิษฐานนะอาจจะอธิษฐานในใจแลนะเรืออธิษฐานกล่าวเป็นเปลววัดจาประมาทนภาทุทรุนะที่นี่หรือที่อื่นก็ได้นะ ้าถึงไม่จะไม่จำพรรษาที่นี่นะก็ควรจะใช้โอกาสเข้าพรรษาเนี่ยนะอธิษฐานในบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเป็นจุดควาของเรานะหรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยนะได้มีจิตใ จ, จเจริญก้าวหน้านมากขึ้นอย่างตามธรรมเนียมเนี่ยนะชาวบ้านยนะพอถึงเข้าพัารษาก็ อย่างน้ยๆก็อธิษฐานในใจว่าจะรักษาศีลให้ครบหรือว่าบางท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากก็จะบอกว่าจะอธิษฐานอธิษฐานว่าจะถืออุโบสถศีลถือศีลแต่ในวันพระไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงวันพระแล้วก็จะมาจํำสิลถือศีลที่วัดศีลแตจะสําหรับสมัยใหม่เนี่ยนะ หราคนที่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาในศาสนามากาการถือศีลแปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายน ะ, นะต้องแปดข้อเทียวแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพียงแค่ข้อสองข้อก็ได้แล้วก็ไม่เป็นต้องเป็นศีลแปดตามประเพณีก็ได้บางคนอาจจะเลือกข้อเดียวคือนะการ งดเว้นนะการกินเหล้านะในภรรษานี้ก็จะงดเหล้านะบางคนก็อาจจะเห็นว่าตุกออนตัวเองเป็นคนติดอาแฟนะก็จะงดกอแฟตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ได้นะคือมันไม่้เป็นต้องเป็นเครื่องใหญ่แต่ขอให้เป็นรูปธรรมกันแล้วกันไม่ใช่บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดในภรรษานี้ ในแบบนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยนะอธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นลูกประมชัดเจนนะเช่นพระก็ขอทิศฐานะว่าจะอยู่ในอาวาแห่งนี้ครบสามเดือนเราก็ลองพิจารณาดูนะพระก็กดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดีนะนอกจากาการทิษฐานภาษาอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ย ก็ลองสำรวตัวเอเรามีจุดอ่านตรงไหนเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนโดยเพราะการเสพการบริโภคนะที่มันสร้างปัญหากับเราไม่ใช่แค่อายมุขเนะช่นเล่าบุรนะีซึ่งมันเป็น อ, า ย, อายมุขสมัยเก่านะอายมุขสมัยใหม่เดี๋ยนี้ก็มีเยอะนะเนะช่นติดเกมออนไลนนะ์หรือบางคนก็ติดหนังติดละครนะ ประเภทสีงที่เกาหลีเนี่ยนิพานก็อยากได้แต่ว่าติดนะสี่ที่เกาหลีเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีงานกายก็กัวไม่ได้ทำแต่ดูมันทั้งคืนก็ควรชาโอกาสนี้เนี่ย่านอธิษฐานท่าว่าเนี่ยเราจะล ด, ลดเราจะดูให้น้อยลงหรือว่าถ้า เลิกได้ในตอนสามนี้ก็ยินดีบางคนนะอาจจะติดดูหนังชอบดูหนังนะเลยก็สมัยนี้มันมีหนังให้ดูทางออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็หนังแต่เรื่องก็สนุกสนุกน่าติดตามแล้วเดี๋ยวนี้มันมาเป็นซีรีส์เลยนะมันมาเป็นสิบตอนจบนะหรือว่าทียี่สิตอนจบถ้าสามกงนี่อาจจะ5้าสิตอนจบ ก็ดูวันทั้งคืนอย่างนี้ก็เป็นโทษนะก็ลองนะใช้ช่วงข่าวั า, านี้แหละอธิษฐานว่าเราจะลดการดูหรือว่าเลิกไปเลยทั้งสามเดือนนี้อีกเร่งที่คนเปน็นมากนะก็คือพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยไลนเนี่ยใช้เวลากันวันหนึงนี้หลายชั่วโมงทีเดียวจนกะทัางไม่มีเวลา ไม่เวลานอน <c oughs> เวลาที่จะให้กับลูก <c oughs> ให้กับคนในครอบคร <c oughs> ัวก็หมดนะอ่เพราไม่มีเวลาเพราะเไปทุ่มเวลากับเรื่องนี้ <c oughs> ก็อาจจาะอธิษฐานว่าในภาษานี้เราจะลดนะเราจะให้เวลาเราจะใช้เวลาสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะหรือว่าอาทิตย์ลา หาชัว่วโมงหรือถ้าบางคนอาจจะเลิกไปเลยนะพักไปเลยก็ดีก็ได้แล้วลองดูถ้าเราเปิดอะไรนะที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความหลักหกหลับใจหรือสร้างชอบช็อปปิ้งนะช็อปปิ้งนี่ทุกทิงเลยนะก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยเราจะไปเที่ยวห้ า, าเดือนละครันะหรือว่า เดิไปเลยนะในพรรษาก็ได้สิ่งสำคัญก็คือว่าควรทำนะในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเริ่มต้นนะในระดับที่มันมง่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีหรือการเพิ่มสิ่งที่ดีเพิ่มสิ่งที่ดีก็เช่นนะในพรรษานี้เนี่ย เราอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ทุกคืนสวดมนต์ทุกเช้านะหรือว่าเราตั้งใจว่าเราจะาทำสมาธิทั้งก่อนนอนแล้วก็เมื่อตื่นนอนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ตั้งใจจะทำรู้ว่าดีแต่ว่ามักจะมีเหตุมีข้ออ้างนะตื่นเช้าขึ้นมา แทนที่นั่งสมาธิพ่อไปเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความแบบนี้ก็เป็นเงนเยอะนะบางคนเนี่ยนอนดึกตื่นสายนะก็อธิษฐานว่าเราจะตื่นเช้านะตีห้านะทุกวันเลยนะแล้วก็จะไม่นอนดึกนะสี่ทุ่มก็ถือว่าได้เวลานอนนะหรือว่างคนเนี่ยนะสุขภาพาไม่ดี ก็ควรที่ฐานว่าเราจะออกําลังกายทุกวันทุกชาหรือทุกเย็นขล้วแต่เช่นวิ่งกกีนแล่ต้องทนเป็นรูปธรรมเลยเป็นรูปธรรมหนมะายความว่าหนึ่งจะทำอะไรสองมีกําหนดชัดเจนเช่นสมาธิก็ อ, อย่างน้อยนะวันละห้านาทีสิบนาทีถ้าออกกาลังกายนะก็ วันละ10นาทีบางคนเป็นคนที่ชอบติดในรสชาอาหารก็อาจจะนิยามว่าจะลดกินเนื้อหรือว่าจะกินเจกินมังสวิรัติตลอดทั้งสาหเพราะว่าอาหารจอันมังสวิรัตนึ่มันอาจจะไม่อร่อยเท่อาหารเนื้อซึ่งก็จะ <c oughs> เกี่ยวกับสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยลดกิเลสตอนทีไม่ติดในรสชาอาหารแล้วก็มีส่วน นะช่วยในการลดการท่าศัตรูเกี่ยมมัยนีิก็ตาม อ, อธิษฐานเนี่ยไม่ต้องทําให้มันใหญ่ให้มากนะเริ่มต้นจากเล็กเริ่มต้นจากน้อยดีกว่าเริ่มต้นจากเล็กและน้อยและทําได้ทุกวันดีกว่าตั้งใจว่าจะทำํำเยอะๆแล้วก็ทําไม่ได้เรื่อ <c oughs> ตั้งใจหรืออธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละหนชั่วโมง สำหรับมือใหม่เนี่ยท่าที่ทานแบบนี้ก็มีโอกาสาที่จะลดเหลวนะเพราะว่าอย่างมากก็ทําไปได้แค่อาทิตย์นึ่งแล้วก็เลิกเพราะว่ามันทํามไม่ได้แต่ถ้าเริ่มต้นจากเวลา5นาทีเนี่ยและทําได้ทุกวันนะมันจะเกิด อ, อันนี้ส่มากอย่าดูถูกนะแม้แม่สิ่งเล็กแม้ความดีเพียงเล็กน้อยถ้าทําทุกวันทุกวันนี้มันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ มีเรื่องเล่าว่าสมาธิหลงปูดูเนี่ยพระัพปันโนท่านยังมีชีวอยู่เนี่ยวั น, นึงก็มีศิษย์มากราบท่านศิษย์พวนี้เนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วเพื่อ น, นี่เป็นคนติดเล่านะพอศิษย์กราบแล้ว ก, กราบของปู ด, ดูแล้วเนี่ยนะแล้วก็สนทนากันสัมพักก็ถือกาดชวนเพื่อนเนึ่งติดเล่าเนะว่าให้มาสมาทานสี่ห้า แล้วก็ทำสมาธิภาอนาะนะเพื่อนเจ้ปฏิเสธตอนหล้าหอวงปูเนี่ยนะบอกว่าจะถือศีลได้ยางไรนะแต่ปฏิบัติได้อย่างไรนะทุกวันพี่ยังกินเหล้าอยู่เลยไม่ยอนหุวงปูตูท่านได้ยินก็เลยพูดขอ้นมาว่าเองจะกินเหล้ากินไปนสิข้าไม่ว่านะแต่ขอให้เองเนี่ยนะนั่งสมาธิ วละห้านาทีก็พออาจารย์พวกนั้นเนี่ยพอใจเขาว่าห้านาทีเนี่ยเขาคิ่าไม่ยากอะไรนะกินเร า, ายัางกินได้อยู่นะเพียงแค่นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นนะเพิ่มการนั่งสมาธิวันละห้านาทีมันจะยากอะไรก็เลยรับปากของพ่อรับปากขอวงปู่แล้วแกก็เป็นคนที่จริง น, นะรับปากใครก็รทําตามชันทุกวันเลยนะ ก่อนจะไปกินเหล้าเครื่องเนี่ยล้วก็จะนั่งสมาธิห้นาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้าแต่พอนั่งไปทั่งไปบางวันเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่เพื่อมาชวนไปกินเหล้า <c oughs> ก็บอกเพื่อว่ายังไม่ไป น, ะนั่งสมาธิก่อนแล้วพอนั่งไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็พบกับความสงบจากการนั่งสมาธิ ก็เลยนั่งยาวขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีจาก10นาทีก็เป็น15นาทีจากเดิมเนี่ยพอนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้าแต่คราวนี้ก็เลิกกินเหล้าน้อยลงนะเพราะว่าอยากให้เวลาการนั่งสมาธิมากขึ้นนัต่ต้รังความสงบที่เกิดสมาธิก็ทําให้ความอยากเหล้าเนะี่ย <c oughs> มันหายไปก็การเป่ว่าเลิกเหล้าได้ เพ า, าการนั่งสมาธิและที่นั่งสมาธิได้นานได้ต่อเ น, นื่องก็เพราะรับปากหลวงปูนนะ่วปไว้เริ่มต้นจากวละห้านาทีตอนเชา้าวันนี้ก็มาบวชพระนะจากคนที่ติดเล่ามนการพระทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะการนั่งสมาธิวนละห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้รมสานนี่เนี่ยเราควรใช้วิธีนี้ น, นะทาความดี นะ้ำนะเพียงเล็กน้อยสวดมนต์วนันละห้านาทีและทําทุกวันก็ดีกว่าตั้งใจจะสวดมนต์วนันละชั่วโมงแล้วก็ทําไม่ได้เลยหรือบางคนอาจจะใช้โอกาสช่วงขา่าวสาเนี่นะอ่านหนังสือธรรมะจะอ่านหนังสือไปเยอะเยอะแล้นะดูโซเชียลมีเดียไปไลฟ์าสาระก็มากว่ต่อไปนี้ทุกวันก่อนนอนจอานหนังสือธรรมะ นะวันละหน้าสองหน้าเตรียมดีสอยเทือตมายังไม่ได้เป็นพระเนี่ยเป็นโยเนยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ตั้งใจจะอ่านานานแลแ้วจะไม่เคยอ่านจบทัทีก็คือพุทธธรรมนะจากพุทธธรรมของเสด็จพระพุทธเจาพระบาทสมเด็จพระจุลปณ์นาฬิกานหน้านาฬิกาก็เยอะนะแต่สุดท้าในชวงคำวิสัยก็ตั้งใจว่าจะอ่านมานลสิบหน้า ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องกลับมาก็ต้องอ่าให้เสร็นะเพราะเกิดว่าพอพาอกขบันศาก็อ่านจบแล้วก็ทำให้ได้ความรู้นะในเรื่องพษษษษุทธศาสนานะซึ่งก็เป็นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติในเวลาต่อมาได้นะเพราะฉะนั้นเนในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลขบนะันศาก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านไมนาเป็นพระไม่ว่าจะเป็น นาชีอุบาสมปัสสิกาลองทึกทึกอย่างว่าเราจะอยากจะทำอะไรหรือตั้งใจทํทำะไรให้ได้ให้ดีนะในปันสามนี้ตลอด